การทมกันต่ออีกจะให้เป็นส่วนประกอบกับการบวดของพวกเราการปฏิบัติธรรมของพวกเราแต่ว่าเราเป็นนักปวดนักปวดคือหนีจากความชั่วไปสู่ความดี อะรก็ตามจะเป็นเพศใดวัยใดตัวที่ใดนิกายใดแบบไหนคือการหนีจากความชั่วไปสู่วความดีนี่คือการบวชเครื่องมือที่หนีจากค ว, วว ค, วความชั่วไปสู่ความดีก็เยอะ แล้วก็อยู่ที่ตัวเรานี่ด้วยซอำไม่อยู่ที่อื่นมีงานมีการทำวันหนีความชั่วสู่ความดีจนหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นสิ่งที่กระทำลงไป จิ่งที่กระทำลงไปให้ถึงหนีความชั่วทำความดีได้คือกรรมฐานวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่เปิดของที่ปิดหายของที่คว่วที่มันอยู่ที่เรานี่คู่คู่กันไปเหมือนกับตรงกันข้าม เห็นอะไรก็ตรงกันข้ามที่มันอยู่ในกายในใจเรานี่ไม่ใช่เป็นนันเดียวเห็นพร้อมกันกันรับฝังตรงกันข้ามเมื่อมันตรงกันข้ามก็ย่อมเห็นได้หาได้พบได้ง่ายขึ้นไม่ลี้ไม่ลับ เห็นหลงก็เห็นลู้เห็นทุกข์ก็เห็นลู้ภาวะที่รู้คือภาวะที่ตรงกันข้ามกับทุกสิ่งแต่ถ้าจะพูดว่าทุกข์ก็ไม่ทุกข์สุข ก, ก็ไม่สุขโกรธก็ไม่โกรธนี่คืองานของพวกเราที่จะเห็นเรื่องนี้คือกรรมฐานดังที่ พระดิจ้าโดยโชว์โดยโชวทิชดีวิธีการหนีความชั่วสู่ความดีถึงส่งที่สุดไม่อริมักเพื่อสาทยายลงไปว่าสูต่เราได้สาทยายเมื่อกี้นี้เดินชัด สมมาทิติความเห็นชอบเป็นอย่างใดเล่ามีแผนที่มันอยู่ที่กายที่ใจเรานี่เห็นทุกข์เกิเห็นได้เกิดทุกข์เกความดับทุกข์วิธีถึงความดับทุกข์ทำอย่างไรง่ายง่ายในหลักปฏิบัติ ในวิชากรรมฐ า, านก็เพื่อการนี่โดยตรงไม่รี่ไม่รับเยอะแยะเลยมาฐานไหนก็รู้ได้ทั้งหมดมีสติไปในกายเป็นประจำกายเราก็มีอมามใช่ไม่มีสติก็ใช้ได้ นี่คืองานของเราแล้วกาทำบางหนันนี่มันจบเป็นสาเร็จได้ถ้าททำตรกันข้ามจะให้เป็นอันเดียวสุกก็อยาให้เป็นสุกทุกอยาให้เป็นทุกหลงอย่าให้เป็นหลงมองตรงกันข้ามวิธีปฏิบัติ วิธีฝึกตนเองสอนตอนเองให้แยบคายแต่ทำแยบคายจริงๆไม่จี่โลภ ก, ก็จะผ่านได้เช่นหลงเป็นลูกหลงเป็นลูกราวาที่ลูกราวาที่ทำให้หลงไม่มีค่า แต่ไม่หลงไ ม, มีที่อยู่ที่อาศัยทุกเป็นรูสุขเป็นรูไปหมดค่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเป็นเรื่องเป็นอะไรต่างๆจิรลพันห้าตนะร้อยแปดไปในคราวเดียวกันลวนหนึ่งก็รลูกไปมากจิ่งนี้มีทีนี้ก็มี ไปไกลความดื้กตัวก็ไปยกลยความหลงก็ไปไกลแต่คนละทางได้ปัญญาได้ชํานาญในความชํานาญจากสิ่งที่ผิดแล้เป็นสิ่งที่ถูกชนานาญในความที่มันหลงไม่หลงไม่หลงเพราะความมันหลง ใหทุกประความมันทุกมันเกิดความชํานาญขึ้นมาเมื่อมาชํานานก็เป็นสอดเป็นศินมีทุกข์จึงได้เป็นพระพุทธเจา้า <c oughs> ตัวทุกข์จึงได้เป็นพระพุทธเจา้าแล้วก็เลื่อนช่อนเลื่อนถอนนะแต่ก่อนสุข ก, ก็เป็นสุขทุกข์ก็เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้สุขไม่เป็นสุขทุกข์ไม่เป็นทุกข์ มันมีอยู่ถ้าเราสัมผัสดูจะต่างกันมากมากทำไมจะไม่ทำได้ทำไมจะหนีความชั่วมวาได้จะทำความดีไม่ได้จริงเดี๋ยวนี้มันเป็นการสัมผัสไม่ต้องมีคำถามใครตอบได้เองทุกคน เห็นหมดจึงไหนที่เกิดกับกายกับใจเรานี่เห็นหมดเห็นครบเป็นทวน่วความเท็จความจริงเป็นเช่นไรมันก็มีอันเดียวเท่านั้นในชีวิตของเราเนี่เหมือนกันหมดนี่คือชีวิตทุปวดของพวกเรา ทำงานอันนี้เขาทำมาให้เจริญโลกทําให้เศรษฐกิจของโลกดีขึ้นทุกคนมาตั้งต้นจากตัวนี้ขึ้นไปสมมา ท, ทิิเห็นชอบสมาสังสมาสังฆโปดมดีชอบไปกันหมดเลยไปเป็นพวงพวงเลยสมมาว่าจากระพูดจ่าชอบไปเป็นพวงพวงเลยเหมือนแสงเงินแสงทอง นเกิดความเกิดแสงสว่างหน้าขึ้นมากขึ้นจนโลดแจ้งโลกสกัมมากรรมมันโตสัมมาอาชโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิไปกันหมดเลยไปเป็นพวงกวงถ้ามีสติก็เล่าความชั่วถ้ามีสติก็ทำความดี ถ้ามีสติจิตก็บีิสุทธิแล้วความชั่วทําความดีเป็นประโยชน์ต่อลายเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อผู้ต่อคนเปนที่พึ่งพรอาศัยของสัตว์โลกของผู้คนสุขสรรพสิ่งทำความดีก็เป็นประโยชน์แก่โลกจิตบริสุทธิ์ก็เป็นประโยชน์แก่โลก นี่คือศาสนานี่คือพุทธภาวะที่เกิดกับทุกคนนี่งานของพวกเราไม่ใช่งานที่ไม่เป็นสาระเหมือนเป็นสาระล้วก็มีชีวิตมีมือมีขามีแขนมีเครื่องมือเพื่อทาเพื่ อ, อล่ำความชัว่วเพื่อทำความดีจิตบริสุทธิ์ก็เลยเกิดเป็นประโยชน์ ชีวิตปูพมไ ม, ไม่ขูไม่ขะอันนี้คือได้ชีวิตแบบนี้คำว่านักบวชนี่มาเช่ได้อันอื่นแต่ทางโลกก็ได้มันมีจริงหรืออันสุขอันทุกข์นั่นน่ะมันจริงไหมอันโกรธโลภหลงมันจริงไหม เป็นอย่างไรรสชาติมันถ้ามันเห็นสุขไม่เป็นสุขเห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์เห็นโกรธไม่ได้เป็นโกรธเห็นหลงไม่ได้หลงเห็นโลภไม่ได้โลภมันจะเป็นเช่นลอยแต่ทไมจะให้มันคลองชีวิตเราอยู่ทั้งทัศน์ันป่าเถื่อนอยากได้สุขทุกข์วิ่งตาม ไม่มีอะไรกีรังยั่งยืนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนก็ยังไปงมอยู่ยังไปสยบกับสิ่งเหล่านั่นอยู่เมื่อมาเห็นความเทศความจริงของสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่งปวากับใจเราดีแล้วก็ต่างเก่าคนภาวะเดิม ทางขีดวิญญาณแล้วก็เป็นอะไรเกิดขึ้นเมื่อเราเคยเป็นอย่างนี้เราไม่เป็นอย่างนี้คิดถึงใครมีแต่ความคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ช่วยเหลือมันเป็นไปเองเราเจึงช่วยกันเธอนะเนาะป็่นจากตัวเรานี่ ถ้าเรานับหนึ่งจากตัวเราแล้วก็มีสองต่อไปเรื่อยๆไปนี่เราก็เป็นสัตว์สังคมไีก็มีคัวมีลูกมีเมียมีพี่มีน้องมีแผ่นดินอากาศอะไรต่างๆสัตว์หลาจสิ่งในโลกนี่จะเป็นอย่างไรถ้าเป็นชีวิตที่แล้วความชั่วทำความดีจิตบริสุทธิ จะเกิดอะไรขึ้นเราจึงถือว่างานยิ่งใหญ่การรักความช่วยทำความดีจิตบริสุทธิ์ดีเป็นสมบัติของเราเพื่อการนี้เราเกิดมาเนี่ยมาเช่เกิดมาเพื่อเจ็บเจ็บตายเฉยๆทีทีทปฏิบัติก็ทำได้ทุกชีวิตไม่ืูก ก็จะเป็นเพศใดภาวะใดนั่งคู่แขงเข้าเหยียบแขนออกมีส ต, ติก็มีเดี๋ยวนี้มีสติก็มีเดี๋ยวนี้วินาทีนี้จะได้บุญก็ละได้เดี๋ยวนี้แล้วรู้แขนเข้าเหยียบแขนออกมีสติ เดี๋ยวนี้แล้วรับความชั่วเดี๋ยวนี้ทำความดีเดี๋ยวนี้แต่รับความชั่วมันก็ดีลายก็ดีใจก็ดีแต่ความดีที่เกิดจากกายจะกใจก็เป็นบุญแต่ว่ามีความสุขปลอดภัยจากภัยทั้งหลายก็เป็นบุญเป็นความสุขเป็นสวรรค์พ้นจากทุกสิ่งทุกอย่าง เนื้อก่อนเป็นทุกอย่างเนื้อก่อนเกิดจะเจ็บตายเป็นมรรคผลนิพพานได้บุญเดียเด๋ยวนี้สวรรค์เดี๋ยวนี้นิพพานเดี๋ยวนี้สุดยอดที่สุดคือ น, นิพพานไม่เป็นอะไรกับนะไยแล้วเห็นหมดแล้วสิ่งที่เหมือนเกิดกับกายกับใจเรานี้พวกนี้มีแต่ทาอะไรไม่ได้ เอวานนี้ก็มีทำอะไรไม่ได้ทำได้คือเดี๋ยวนี้นี่สมบัติจริงๆสิทธิร้อยเพรชเชนเราเป็นนักบวช่ช้ชีวิตใหม้มีวันนี้เวลาทีนี้อย่าไปลบกวงกันให้มีสติจะตู้แขนเข้าเยื่อแขนดอกอย่างท่านนี้ก็ลวควงช่วทำกวามดี ถ้ามีสติเนะี่ถ้าไม่มีสติก็ไม่รักความชัว่วไม่ได้ทําความดีแล้วก็บอกอยู่เ่นเราคิดเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้จักทิ้งไปเปล่าๆหลงเท่าใดไม่ค่อยรู้จักทิ้งไปเปล่าๆทุกเท่าไหร่ไม่รู้จักสุขเท่าไหร่ไม่รู้จักแบบ น, นี้รู้มันทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาสุขก็รู้มันทุ ก, ก็รู้มัน จะให้มันผ่านไปเฉยๆได้บทเรียนจากมันได้ประสบการณ์จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะเป็นสุขเป็นทุกข์โอเลยไม่ฟรีชีวิตทีนี่ชีวิตไม่ฟรีไม่ใช่ชีวิตให้มีสิทธิ์เต็มที่อ่า เดินเคลื่อนไหวทั้งกายก็ยาวเท่ลู่้ากจิตใจที่มันคิดที่ไม่ได้ตั้งใจก็ลู่ซะยิ่งมันมีอาการต่างๆมันข่อขึ้นมาเป็นธรร ม, มาลมมันฟองง้อง ห, า ห, าหัวนอนเป็นความคิดฟุ้งซ้นลำเลสงสัยกมามละคา่ปฏิฆามาณทิพยิเกิดขึ้นมาก็ลูกชัตัว น, นองดู ปฏิบัติลงไปมันตรงกันข้ามอยู่อย่ไปจนอย่าจนต่อควาสุขอย่าจนต่อควงทุกข์ของที่มันตรงกันข้ามแท้ๆเหมือนเราอยู่กลางถนนเราเห็นสองฝั่งกลำมาอยู่กลางๆไม่เป็นอะไรเห็นมันไม่เป็นอะไรเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไอ้มาดินวิตในแบบนี้ เยียกว่าอาริมักทั้งหมดเป็นทางปลุดได้ทั้งหมดเป็นทางผ่านทั้งหมดถ้าเห็นไม่เป็นไม่ใช่รปท่องเป็นภาษาไม่ใช่ไปบอกกัน <c oughs> เป็นการฝึกตนสอนตนเห็นไม่เป็นนี่ยนี่แหละมักองมักแค่เท่านี้ อะไรที่มันเกิดกับกาย ก, กับใจเรานี่มีแต่เห็นไม่ได้เป็นดูไม่ได้ไปอยู่กับมันวิธีเดินอยู่ใงไรอมมักที่จดีที่เกิ ด, ดก ย, ยชีวิตมันแบบนี้ดูอย่าไปอยู่คือสติเห็นอย่าไปเป็นคือสติจะไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเรียกว่ามหาสติมาก ลบพราว่าที่เป็นทั้งหมดเลยหรือศูนศูนต้องจากศูนย์ถูกทั้งหมดเลยไม่ว่าอะไรก็ตั้งต้นจากศูนย์เราถูกทั้งหมดมาตรฐานเครื่องวัดเครื่องอะไรต่างๆถ้าตั้งจากศูนย์เหือนเราไปเติมน้ามันดอคอมพิวเตอร์ มันขึ้นจากศูนแล้วก็ถูกต้องดูให้ดีเะก่อนผู้ที่เติมน้ำมันต้องดูถ้าไม่ได้เลขศูนมันตั้งต้นจากได้เกินก็เพี้ยนไปแล้วเพี้ยนก็เสียหายเสียเงินเสียทองไม่ถูกต้อง ยืดจริงๆมันเหลือศูน์ความหลงก็เหลือศูนความโกรกก็เหลือศูนความทุกข์เหลือศนความเกีเยดเกตเหลือศูนถูกต้องที่สุดนีมันเหลืออะไรไม่เป็นเชดอยู่ไม่หลงตัวยืไม่หลงตัวไม่จบจเรียนไม่จบ สุกยังเป็นสุกี่ว่าไม่จบเรื่องของผมสุขทุกยังเป็นทุกไม่จบของขมทุกโกรดยังโกรดไม่จบเรื่องของโกรดแล้วก็มีเรื่อยปล่อยหลงจนตายทุกจนตายโกรดจนตายจะเด็ต้นหาก็ะจนตายได้บรรได้อะไรนี่ต่ว่า น้ำเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรแล้สุกมันอยู่ที่ไหนอะไรคือสุกเป็นสมมติบัญญัติเป็นวัตถุอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นเฉยๆเราก็เห็นเรื่องแต่อตอ้นแล้วตนอาการที่เกิดกับปลายกับใจเป็นอาการที่เกิดกั บ, บกาการบูปคำนามไม่ใช่สุก ไม่ใช่หิวไม่ช่้อนไม่ใช่หนาวเป็นอาการที่เกิดกับรูปกับนามไม่ใช่ของจริงอ า, ารราาอาการเขาบอกอาการนี่มันไม่มีค่าอะไรมากมายถ้าเหตุนี่มีค่ามากกว่าอาการนั่นไม่เป็นก็มีค่ามากกว่าอาการที่มันเกิดกับขากับใจนั่น <c oughs> <c oughs> มันเป็นก็เป็นกรรมขึ้นมานะปฏิบัติธรรมมีบีบผลมีเจนที่วัดให้เราได้สัมผัสปิตุภการ์ได้อย่างไรายเช่นหลายมันมีเจนที่วัดวงบอกความเทศความจริงจริงแบบไหนจริงแบบสมมุติจริงแบบปรมัติ มันมีเต็มตัวไปหมดเลยสมมุติปัญจ ต, ติตาเห็นโลกก็สมมุติปัญจติหูที่ยินเสียงก็สมมติปัญจติจมูกได้กลิ่นลินในโลดขายสัมผัสจิตใจคิดสมมุติปัญจติเข้าไปสนับสนุนให้เกิดภพภปปูมิต่างๆหัญญัติเอาสมมติดาว่าชอบพ่ไม่ชอบพอใจไม่พอใจ สอนฝึกตนสอนตอนก็เห็นอย่างนี้หนระอกจังสมมติมีสติเป็ น, นกายอยู่เป็นประจาสอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ความพอใจและไม่พอใจเป็นลถของโลกถอยนามัสให้เห็นซะเมดลดของธรรม เห็นความพอใจเห็นความไม่พอใจคือรถของพัทพดทองผูได้สมงัจจานี่เลยว่าได้รถพัดทองได้กระแสแห่งมรรคผลนิพพานอะไรก็ตามดูเลยพูดง่ายๆว่าเห็นไม่เป็นนี่แหละแต่ไม่เป็นอะไรขับอะไรนี่แหละเวยาเราปฏิบัติมันสนุก สนุกกับความผิดความถูกของตนมันเห็นไม่เคยเห็นความคิดตัวเองก็เห็นความคิดนี่ก็ตือนลือโลน่นที่ไม่ได้ตั้งใจบัญชีขึ้นมาได้เห็นความคิดเป็นความรู้สึกตัวกลับมาหาที่ตั้งมันงดงามมันยิ่งใหญ่มันเห็น มันไม่กลัวมันเห็นแล้วมันจะกลัวอะไรมันหลุดพน้นแล้วถ้าเห็นเนะ่เหมือนหมอหน้อยแพทย์วินิจฉัยของโลกถ้าเห็นโลกก็มั่นใจเมื่อเห็นโลกเห็นจ่าที่จะรักษาโลกให้ยายาก็ถูกกับโลก กำลังมีปัจจิตภาพถ้าจังไม่เห็นโลกนั้นยังไม่รู้ทิศทางโลกก็กเลลบขึ้นเรื่อยๆนี่าไมาเห็นโลกที่เกิดกับเราเนี่ยรูปโลกน้มโลกรูปทุกน้อมทุกรูกจากระเบน มันเกี่ยวข้องกับมันแค่ไหนเพียงใดเช่นทุกทุกทุกบางอย่างเป็นสมุติที่เป็นทุกที่ต้องบรรเทาเกี่ยวกับทุกที่ต้องบรรเทาแค่นั้นเช่นความหิวต้องกินข้าวความหนาวต้องห่มผ้าบรรเทาแค่นั้นไม่ไปไกลไม่ถึงที่ไหน เกี่ยวงกับอย่างถูกต้องเฉพาะเฉพาะเรื่องอเฉพาะเราทุกบังอย่างต้องละโกรมโกรต้องละทันทีความทุกข์ที่มันเกิดกับจิตต้องละทันทีไม่ให้นอนเนื่องไมใช่โกรธเราต้องดาอง่ากันต้องฆ่ากันนั่นัทําทำกับทุกข์ที่จะต้องละไม่เป็นแล้วก็ไปไกล เกิดปัญหาเปิดล้อมไปทั่วจึงเกิดเป็นตัวบทโคตรมยเกิดเป็น <c oughs> มีคุก ม, มิตารางตำรวจทาหารขึ้นมาโ <c oughs> ทษคนไม่รู้เรื่องทุกข์ที่เป็นสภ า, าวะทุกข์ทุกข์ที่เกิดกับลูกกับนม้มไม่รู้จกัก ไปไกยจนเป็นภาระต่อโลกต่อสังคมต่อผู้คน <c oughs> ยังไม่ดีเสียงก็ก่อนหลายวันก็ยังไม่ดีเดี๋ยวจึงมีงานในการ น, นสร้างชีวิตต่อยอดชีวิตมาเอายอดใหม่ได้ว่าพรหมจัน์ได้ความบริสุทธิ์จากความสุขปกุกได้ความไม่หลงจากความหลงได้ความไม่ทุกข์จากความทุกข์ทุกข์กับชีวิตพรหมจัน์ได้ยอดใหม่ยอดเก่ามัน แก่มันเจ็บมันตายรูปนี่มันอยู่ที่ไม่เที่ยงเอาความไม่เที่ยงไว้ต่อยอดได้นิพพานเอาควาเป็นทุกข์มาต่อยอดได้นิพพานได้วความมออ า, ววามมใช่ตัวตนมาต่อยอดเป็นนิพพานมันพระพุทธเจ้าสัางสอนนั่นได้กลั ว, วทำไม่ อยากได้อะไรโดยจิตีนมันมันจะเป็นขุมทรักย์ทไม่มีทุกข์พระพุเจ้าไม่ตัดจะรู้ถ้ไม่มีหลงก็ไม่ตัดจะรู้ म न, म จึงเห็นเวลาเราปฏิบัติตรงกันข้ามพอดีเห็นหลงก็รู้อันแรงานของเราให้มันหลงลงไปเราจะได้รู้ให้มันทุกลงไปเราจะได้รู้ให้มันผิดลงไปเราจะได้รู้ให้มันถูกให้มันสูกอะไรลงไปเราจะได้รู้เกิดมาเท่าไหร่รู้ทั้งหมดรู้ทั้งหมดเป็นตัวเฉลยได้ทั้งหมดสิ่งที่เกิดกับปากับใจเนี่ย สนุกนะตอนที่เห็นคนหน้าดำเข้าเทียดมหาเมื่อ <c oughs> ขอหลาอจึกล้วก็ยังคิดสนุกอยู่ว่าเขาถูกหลอกไม่ใช่จริงจังอะไรถูกอะไรหลอกมาเรายังยิ่งใหญ่นะเห็น เห็นคนที่ถูกหลอกน่าบูนน้อเบึง้งตึงเครียดผมวมาได้บวชมาอะไรดอกผมบวชมานิดเด่นหน่อยไม่ปฏิบัติปฏิบัติอะไรดอกผมบวชเพราะพี่ชายให้มาบวชผมจะขอศึกศึกให้ผมด้วยอาจารย์อ๋อยอกหยอกล้อเลยไม่ใช่ไม่คิดจรงศึกนะ ให้เดินไปเดินจังกองผมก็เดินอยู่นี่ท่างก็เดินอยู่นี่มาให้ลูกมันเดินอยู่เนี่ยอันตึกไม่ได้คิดยุ่งยากไม่ได้หน้าดําข้างเคียดแล้วดอกฝึกเมื่อไหรก็ได้เวลานี่มาเดินให้ลูกจากตัวเนี่ยไอเดินด้วยกันเนี่ยคนเดินอยู่เช่นนั่นผมก็เดินอยู่เนี่ยเดินไปเดินมาก็เออของเฉึกขึ้นไปมาก็ ออกล่ไปอะไรที่มันผ่าหมาเนี่ยเดินอยู่ดีดีเนี่ยรู้สึกตัวอยู่เดินทำไมมันเดินมานี่ยอะไรมันสั่งให้หมาเนี่ยมันก็คิดมาไอ้เชื่อมันหรือความคิดเนี่ยไอคิดเลยก็ทําตามมันหรือดูดีดีสิไอ้คิดแต่ไรก็ทําตามความคิดหมดหรือไม่ตายทั้นั้นลูกเราเนี่ยได้ทำอะไรหรอมันดีทุงไหนะครับปเดิน เดินไปเดินมานนานไหมากราบเท่าอุย้ยอาจารย์เอ้ยผมเห็นความคิดตัวเองดูผมไม่เคยเห็นความคิดตัวเองเลยทั้งอาจารย์นี้ผมศึกผมก็ศึกไปฆ่าคนสองคนศึกไปแล้วผมจะเอารถหมอเตไซกับลูกชายเอาเปืนกับลูกชายผนจะไปฆ่ามันสองคน คือเขาเป็นคนที่ดูลอยฆ่าคนพิชัยให้มาบวชโตยผมเพงเห็นความคิดตัวเองนี่ผมชั่วมากโอมใส่เท่าลองไห้เห็นความคิดตัวเองนี่คือมันถูกหลอกหลอกใหโกรธหลอกนห้อะไรต่างๆไม่ใช่จิ มันใช่ดูใช่ไหมมันกลับทันทีเลยทีเดียวกลับทันทีเห็นความคิดตัวเองขึ้นมาเลยบวชจนตายไม่จึกเลยจนเท่าจนแจกตายไปแล้วนี่ความหลอกของคนหลอกอือจให้มันหลอกอะไรหลอกก็ไม่จ็ิงเท่ากับตัวเองหลอกตัวเอง คนหลอกไม่กลัวผี e หลอกไม่กลัวกลัวแต่ตัวเองหลอกตัวเองหลอกในสุขหลอกในทุกอั่งสำคัญตัด <laughs> ๆ